ข้อความในในติปกรณ์ 95, 48, นหน้าเ5าข้อสิอธิฐานะหาระอธิฐานะหาระก็คือหาระที่กล่าวธรรมะโดยสามัญกับโดยพิเศษเนี่ยนะคงไม่ลืมนะว่าโดยสามัญกับโดยพิเศษเช่นว่าทุก อ, อริยสัจสีนี้เป็นคำสามัญนะถ้ามาแจกก็เป็นพิเศษออกไปทุกทุกขัสัจจะเป็นคำสามัญถ้าแจกรายละเอียดออกไปก็เป็นความพิเศษ สมุทยัยคำนี้ก็สามัญถ้ากระจายออกไปก็เป็นความพิเศษนิโรธเป็นคำสามัญถ้ากระจายออกไปก็เป็นพิเศษทุกขานิโรธถ้าขามินีปฏิปทาก็เป็นคำสามัญถ้าแจกมรรคแปดออกมาก็เป็นความพิเศษคำว่าทางก็เป็นคำสามัญแต่ถ้ามาแจกรายละเอียดว่าทางไปไหนก็เป็นความพิเศษนิโรธเป็นคำสามัญแต่ถ้าสามารถจําแนกถึงความดับนิยะต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษ รูปก็เป็นคําสามัญถ้ากระจายออกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปโดยย่อ ก, กับโดยพิสดาร น, น, นะแล้วก็กล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นโดยสมถะและวิปั ส, สนาได้ก็เป็นความพิเศษเนี่ยนะจนถึงกับปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายและคลายกําหนัดในรูปคําว่าอาวิชาก็เป็นคําสามัญเหมือนกันอวิชานะท่าสามัญ น, นะคำว่าไม่รู้ไม่มีวิชาอะตัวนั้นเนี่ยอะตัวนี้แปลว่าปฏิเสธ หรือเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่ปฏิเสธเฉยๆนะเป็นปฏิปักษ์ด้วยอวิชาก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อวิชานั้นอวิชานั้นที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นค่าศึกศัตรูปฏิปักษ์ต่อวิชาอันนี้เป็นคำสามัญโดยเวมัตะคือความพิเศษก็คืออวิชาเป็นไฉนความไม่รู้ในทุก ความไม่รู้ในทุกขสมุ ท, ทยัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในขันธาตุอายตนะที่ล่วงไปแล้วความไม่รู้ในขันอายตนะธาตุ people, ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหลังข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะความไม่รู้ในขันธาตุอายตนะเป็นต้นทั้งข้างที่ผ่านไปแล้วและที่ยังไม่มาถึงความไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยเหตุเกิดขึ้น หรือเครียกว่าไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาข้อแรกก่อนนะความไม่รู้ในทุกขาริยสัจความไม่รู้ความไม่เห็นอริยสัจความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยอริยสัจความไม่รู้ในทุกขะนิโรธอริยสัจความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอั้นชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยเห็นเห็นชาติเลยว่าแม้แต่การเอาอริยสัจมาคิดก็ถือว่า น้อยจะกล่าวไปยายถึงรู้เห็นอริยสัจเนี่ยนะเท่ห์ในขันธาตุอริยตนะที่ล่วงไปแล้วถ้าเราไม่รู้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้ขันธาตุอรายตนะที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตวิปัสนาเนี่ยนะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาใช่ไหมบอกใช่แล้วทำไมวิปัสนาจึงให้รู้แต่ปัจจุบัน วิปาาัสนาบางท่านก็บอกว่าไม่ให้รู้อดีตไม่รู้อนาคตวิปัสนาต้องมีอารมณ์เฉพาะในปัจจุบันคําพูดนี้เท่ากับให้เจริญอวิชาเพราะไม่ให้รู้อดีตอวิชาก็คือความไม่รู้ในอดีตอยู่แล้วอวิชาก็คือไม่ให้รู้ในอนาคตอวิชาไม่ให้รู้ทั้งอดีตและอนาคตอวิชาไม่ยอมรู้ปฏิจจสมุปบาทที่เจริญปัญญาแล้วไม่ให้รู้อดีตท่าน วิปัสนาที่มีอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นจึงไม่ถูกป้องเพราะว่าขัดต่อวิชาวิชาม่รู้ทั้งอดีตมันวิปัสนาก็จะรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทมันถ้าบอกว่าไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตอันนี้ก็เท่ากับเจริญอวิชชาตรงๆเลยนะ มันก็ไม่ใช่วิ ช, ชาอะไรหรอกเป็นการเจริญอวิชชาตรงๆเพราะโดยปกติอวิชชาก็ไม่รู้อดีตอยู่แล้วไม่รู้อนาคตคําว่าอาดีตอนาคตเนี่ยนะอดีตก็คือขันธาตุอายตนะที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือขันธาตุอายตนะที่ยังไม่มาถึงบางทีก็ใช้พัตเทกรัตตสูตรผิดๆพัตเตกรัตตสูตรบอกว่าไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ไอ้คําว่าคํานึงนี่แปลว่าอะไรคํานึงด้วยอํานาจตันหาแปลภาษาไทยว่าอาไลอาวอนแปล ง, ง่ายๆว่าคนเราเนี่ยอย่าไปอาไยอาวอนในอดีตมากมายนะักเคยเห็นไปที่ไหนบางคนเนี่ยพร่ำถึงแต่อดีตที่เคยที่เคยมีเนี่ยนะที่เคยประสบความสําเร็จที่เคยอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นคือขันธ์าตุอายตนะเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่เกิดโดยปจยัจจัยแต่พร่ำถึงพูดถึงด้วยอํานาจตันหามานะแล่ ทิฏฐิเออถ้าอย่างนั้นไม่สมควรบางคนก็หวังจริงๆหวังอนาคตหวังด้วยอำนาจตัหามานะและทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิอย่าไปมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยอำนาจตัหามานะแล่ทิฏฐิเพราะอะไรเพราะว่าโดยตามเป็นจริงแล้วเป็นจริงนะจริงคืออะไรสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว มันไอสิ่งที่ละไปแล้วเนี่ยให้เข้าใจความจริงว่ามันคือสิ่งที่ละไปแล้วมันก็คือขันธาตุอายตนะอนาคตสิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็คือความเป็นขันธาตุอายตนะนั่นแหละก็ให้พิจารณาทั้งอดีตและอนาคตนั่นจึงจะเป็นความรู้นั่นจึงจะเป็นวิชาเนี่ยนะก็พิจารณาในความเป็นขันธาตุอายตนะขันธธาตุอายตนะเหล่านี้เชื่อมกันโดยเหตุและผลอย่างไรก็อย่างที่กล่าวไปบ่อยๆปฏิจจสมุปบาทคือ อดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลชีวิตในทุกขณะทุกทวารต้องแยกอย่างนี้นะแมก้กระทั่งในทวารตาที่เราเห็นเนี่ยอดีตเหตุคืออะไรปัจจุบันผลที่ทําให้เกิดการเห็นขึ้นแล้วเมื่อเห็นแล้วอะไรคือปัจจุบันเหตุที่จะมีอนาคตผลต่อไปถ้ารู้อย่างนี้เป็นเป็นวิชาถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชาทวารหูก็เหมือนกันที่หูเราได้ยินเสียงอะไรคืออดีตเหตุปัจจุบันผลที่ทําให้ได้ยิน แล้วเมื่อได้ยินแล้วอะไรคือปัจจุบันเหตุเพื่อให้มีอนาคตผลต่อไปรู้กลิ่นรู้กลิ่นหอมไม่หอมก็ตามขณะที่รู้กลิ่นต้องแยกว่าอะไรคือปัจจุบันปัจจุบันผลเกิดที่เกิดจากอดีตเหตุและอะไรคือปัจจุบันเหตุเพื่อให้มีอนาคตผลทวารลิ้นที่เรารับรู้รสก็แยกว่าอดีตเหตุทาให้มีปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเพื่อให้มี อนาคตผลต่อไปทวารกายที่เจ็บปวดปวดเมื่อยสุขสบายก็ตามปัจจุบันนผลที่เกิดขึ้นอาศัยอดีตเหตุแล้วปัจจุบันเหตุที่กําลังทําอยู่ละ่ะคืออนาคตผลต่อไปควรจะเป็นอะไรในหนึ่งความคิดที่เราคิดขึ้นแต่และความคิดที่เป็นไปก็แยกว่าปัจจุบันนผลกับมาจากอดีตเหตุอย่างไรทําอะไรที่เป็นปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลถ้าแยกแยะอย่างนี้ก็จะรู้อดีตรู้ อนาคตแล้วก็รู้ปัจจุบันรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่เชื่อมโยงกันต่อไปถ้าไม่รู้อย่างนี้คือวิชากันนก็คือวิชาเพราะอย่างตาที่เกิดขึ้นปัจจุบันในเหตุของทำให้มีตาคืออะไรตาเกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแล้วกรรมตัวนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยก็สาวไปหา ก็สาวๆไปเลยจะรู้ว่ากรรมนี่แหละเป็นปัจจัยให้มีตาแล้วอาศัยตาก็เป็นเห็นพอเห็นก็ทํากรรมใหม่อวิชาตันหากรรมก็เกิดขึ้นเพื่อให้มีตาต่อไปในอนาคตและมันเชื่อมโยงกันอย่างไรอย่างนี้จึงจะเป็นวิชาถ้าไม่รู้ดังกล่าวไปเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยนะอวิชชาใครเลือกเจริญอวิชชาหรือเลือกเจริญวิชาก็ตามใจมันความรู้เนี่ยสำคัญมันอวิชชาคือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ ความรู้อวิชานี่มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าสอนเพื่อไม่ให้รู้พวกนี้ด้วยนะสอนไม่ให้คิดเรื่องอดีตไม่ให้พิจารณาอดีตไม่ให้พิจารณาอนาคตไม่ให้พิจารณาเหตุและปัจจัยกลัวจะมีวิชาอีกก็เลยเพิ่มพูนแต่อวิชามากยิ่งยิ่งปกติก็อวิชาาอยู่แล้วยังทอดสะพานให้อวิชาเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอั น, นอวิชาถ้ากล่าวโดยพิเศษ ก็คือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยเช่นง่ายๆว่าถ้าอย่างทวารตานะีลืมตาขึ้นไม่รู้ว่าจักขูเป็นทุกขสัตต์ตัณหาในการก่อนที่ทําให้จักขู่เกิดเป็นสมุทั ย, ยสัตต์ความไม่รู้ว่าความไม่เป็นไปความดับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้เป็นนิโรสัจจะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นมรรคสัจจะไม่เห็นจักขู่จักขู่สมุทัยจักขูนิโรจักขูนิโรถ้าขามินีปฏิปทาอันนี้เป็น อวิชชาไม่รู้จากครูที่เป็นอดีตไม่รู้จากครูที่เป็นอน า, าคตไม่รู้จากครูทั้งอดีตและอน า, าคตไม่รู้ว่าจากครูที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจุบันผลที่เกิดจากปัจจุบันาจากอาดีตเหตุแล้วเมื่อตามองเห็นเป็นอะไรทําเหตุใหม่เพื่อให้มีตาต่อไปในอน า, าคตความไม่รู้อย่างนี้เป็นอวิชชาหมดเลยและ ว, วันๆหนึ่งเรามากหรือน้อย ก็จะมีบ้างก็ตอนได้ยินนี่แหละนะที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไปพิจารณาล้เดี๋ยวจะมีวิชาแล้วก็ตั้งอัธยาศัยว่าชาตินี้ต้องมีวิชาทีจริงคําว่าภาวนาประทานเนี่ยแปลว่าตั้งเป้าหมายเพื่อให้ปัญญาเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยนะเราก็ตั้งอุปนิสัยตั้งความปรารถนาตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเพื่อให้ปัญญานี้เจริญมากๆยิ่งขึ้นไปทนี้ขยายเพิ่มเติม ความไม่รู้ใดมีสภาพเช่นนี้ความไม่รู้นั้นชื่อว่าอัญญะไม่รู้ดังกล่าวไปแล้วทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าอัญญะก็คืออัญาณะนั่นแหละนะซ้อนย่อหญิงเข้ามาอีกตัวหนึ่งเรียกอัญญะแปลว่าไม่รู้เลยปัญหาไม่รู้ก็ไม่ว่าปัญหาไม่อยากรู้เลยนี่สิจริงต้องแปลเพิ่มอาวิชาแล้วไม่ต้องการรู้อาทสนะแปลว่าไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วย นะไม่เห็นไม่อยากเห็นอนะพิสมยะไม่ตรัสรู้ก็ไม่รู้จะตรัสรู้ไปทำไมใช่ไหมอนุอนานุโพธะเนี่ยนะอนานุโพธะแปลว่าไม่รู้โดยตลอดแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยเนี่นะัลักษณะนั้นแหละเป็นอวิชชาอะสัมโพธะแปลว่าไม่รู้ด้วยดีไม่รู้ด้วยดีนี่แปลว่าอะไรปกปิดไม่ให้รู้อย่างสนิทเลยนะปิดอย่างสนิทชนิดที่เรียกว่า อะไรนะเหมือนกับอยู่ในที่มืดที่ปิดสนิทมากเชื่อมจนไม่มีรอยพอที่จะแสงจะสาดส่องไปไปให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้รู้ได้อย่างคิดดูนะถ้าเราถือว่าความรู้อริยศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นความรู้เป็นวิชาเนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยนะลัทธิมากมายมหาศาลเพื่อต้องการปิดกั้นตัวเองทํำยังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องได้ยินอริยศาสตร์แล้วทําลายคําสอนว่าด้วยอริยศาสตร์ซะอันไหนเขาบอกว่า ผู้ที่ประสงค์จะประทุษร้ายวิชาว่าด้วยอริยสัจเนี่ยนะไม่ถามว่าน้อยหรือมากไม่ใช่น้อยๆ ย, ยนะแผนทําลายความรู้อริยสัจจะทํำยังไงที่จะสัตว์ทั้งหลายจะต้องบอดสนิทต่อไปอัน น, นวิชาความรู้เกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยดับไปเลยไม่จําเป็นต้องมีอีกแล้วก็เลยเรียกว่าอสัมโผทะไม่รู้ด้วยดีเนี่ยนะหูยปิดได้อย่างสนิทบอดชนิดที่เรียกว่าหมดทางเยียวยาและรักษา ต่อไปอัปติเวทะก็คือไม่แทงตลอดปัญญาเนี่ปฏิเวทะใช่ไหมแทงตลอดทุกโดยการกําหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดมรรคด้วยการเจริญอวิชามันบอกไม่ต้องแทงตลอดหรอกอวิชาเป็นอสสารลักษณะคือตรงกันข้ามกับปัญญาที่กําหนดด้วยดีปัญญานี่จะกําหนดโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นอวิชาบอกไม่ต้องอนะ อนุปรัชณะตรงกันข้ามกับปัญญาที่เข้าไปกําหนดรู้หรือปัญญาที่เข้าไปรอบรู้อวิชชาบอกไม่จําเป็นเห็นไหมอปัจจุปรัชณะตรงกันข้ามกับปัญญาที่มุ่งเข้าไปกําหนดเนี่ยนะมุ่งเข้าก็กำหนดโดยเหตุโดยผลเป็นต้นอวิชชาบอกไม่ต้องหรอกอะสัมอ่ะอะสมปเกชนะการไม่เข้าไปเพ่งด้วยดีปัญญาคือการเข้าไปใไข่ครวนด้วยดีใช่ไหมอวิชชาบอกไม่ต้อง ปัญญา อ, อปัจจคัมมะมีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำไม่มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นประจักษ์ปัญญานี่คือการกระทาด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์แจ่มแจ้งอวิชาก็ปฏิเสธซะทมเมชะก็คือความเป็นผู้ไม่มีปัญญาเมชะก็คือปัญญานะทุะเพลินก็บอกไม่เอาแล้วไม่มีปัญญาภารยะก็คือความเป็นคน เข่าเนี่ยนะความโง่ความเข่ Citizens, า, าอสัมปชัญญะคือตรงกันข้ามกับศาสกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะตรงข้ามกับอสัมโมห oh สัมปชัญญะเป็นต้นก็คือตรงกันข้ามกับสัมปชัญญาบอกไม่ไม่ต้องมีสัมปัญญะโมหะก็คือความเข่คาวความหลงนนะ oh a, เนี่ยนะปโมหเนี่ยปะนำนาบแล้วว่าหลงรอบเลยหลงรอบรอบจริงๆอ่ะนะสัมโมหะก็เรียกว่าหลงอย่างยิ่งอวิชชา ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้เช่นอะไรความชั่วควรได้ไหมไม่ควรอวิชชาบอกเอาเหอะนวิชาอ่อะไรนะความดีควรได้อวิชชาบอกไม่ต้องอวิชโชคะห่วงน้ำที่ท่วมทับคืออวิชชาอวิชชาโยคะเครื่องประกอบคืออวิชชาอวิชชานุสายกิเลสที่มีกำลังคืออวิชชาปริยุทธานก็คือความกลุ่มุมคืออวิชชา อวิชาลังคีก็คือเปรียบเหมือนลิ่มสลับทำให้เปิดประตูโลกุตระไม่ได้นะก็คือเป็นเหมือนกับกรอนนะกรอนล็อกเอาไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าออกได้เหมือนกับไม่สามารถเข้าเมืองออกเมืองได้ฉันใดอวิชาก็ทำให้ไม่แทงตลอดหรือเปิดประตูแห่งอมะตะไม่ได้ฉันนั้นอวิชาเป็นโมหะและถือว่าอากุสลมูลคือโมหะเป็นรากเง่าของ วัตตะเนี่ยนะเป็นรากเง่าของวัตตะถ้าเป็นต้นไม้ก็คือรากแก้วที่ใหญ่มากรากแก้วของวัตตะคืออวิชาการจำแนกโดยพิเศษดังกล่าวมานี่แหละเรียกว่าอะไรนะความพิเศษเนี่ยนะเวมัตตะเนี่ยนะถ้าอาวิชาเฉยๆเป็นเอกะตะใช่หมเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าขยายออกมาอย่างนี้ความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะ โดยความหมายทั้งประมาณสามสิบสองในด้วยกันเนี่ยนะสสเอ่อขอสาสิบสี่นัยะหรือเอ่อขอสาสิบสองในเนี่ยนะขยายออกมาอย่างนี้แหละเรียกว่าวิเศษวิเศษเนี่ยนะความพิเศษที่เกิดขึ้นมาก็ในโลกของอวิชานะถ้าผู้ใดที่เต็มไปด้วยความไม่รู้แบบนี้เนี่ยน่าสงสารขนาดไหนนยอะไรนะที่พระองค์เจริญเจริญกรุณาต่อสัตว์เนโลกนะโลกอะไร โลกที่ถูกครอบคลุมเนี่ยนะถูกครอบครอบไว้ด้วยอวิชชาแบบนี้ถูกความไม่รู้เหล่านี้มันครอบอยู่เนี่ยนะอันถ้าเรารู้ว่าโอ้สภาพของเราเนี่ยทุกก่อใหม่รู้สมุทัยก็อใหม่เห็นนิโรธก็ไม่ได้ทําให้แจ้งมรรคก็ไม่เจริญนี่แต่ไม่ไม่ไม่ไมไมนหน้าเกี่ยวกับสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยแหละนั่นี่แหล ะ, หละเรียกว่าอาวิชชาละต่อไปถ้าวิชชาละ่ะมาดูวิชชาบ้างถ้าจะมีความรู้บ้าง คำว่าวิชาโดยปกติก็เป็นคำสามมันถ้าพิเศษขึ้นวิชาเป็นไงนะความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขานิโรธค า, ม, า, าคมินีปฏิปทาอันนี้เป็นความรู้อริยสัจแล้ใช่ไหมต่อไปความรู้ในขันที่ล่วงไปแล้วถ้ารู้ยิ่งเท่าไหร่ก็นั่นแหละปุปเพนิวาสานุสติยานใช่ไหมความรู้ในขันเป็นต้นที่จะเกิดต่อไปในภายหลังก็คือรู้จุติและ ปฏิสนธิเป็นต้นความรู้ขันทารยตนาที่ผ่านไปแล้วและที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า น, นี้และก็ความรู้ในปฏิจจสมุปบาทความรู้ดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าเป็นความพิเศษอันนี้คือการเจริญวิชานะเจริญวิชานั้นรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายวิชาความรู้ใดสภาพเช่นนี้วิชาความรู้นั้นชื่อว่าปัญญา ปัญญาก็คือรู้โดยประการต่างๆรู้ในความไม่เที่ยงอย่างไรรู้ในความเป็นทุกข์อย่างไรรู้ในความเป็นอนัตตาอย่างไรปัจาน า, นา nos, ก็คือรู้ทั่วไปหมดเลยวิจยะปัญญานั้นพิจารณาอะไรพิจารณาวิชาเป็นต้นก็คือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทปะวิจยะก็คือการพิจารณาโดยประเภทจำแนกแจกแจงประเภทต่างๆได้ธรรมวิจยะก็คือการพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งประการ สลักขณะเข้าไปกําหนดด้วยดีซึ่งทุกข์สัตย์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเป็นต้นอุปลักขณะก็คือเข้าไปกําหนดปัจจุปลักขณะการเข้าไปกําหนดเนืองๆทาอย่างบ่อยอยน่นะปัณดิตจา ก, ก็คือความเป็นบัณฑิตตรงกันข้ามกับคนพาลใช่ไหมภาระยะแปลว่าอะไรนะเขา ข่าวก็คือไม่รู้ประโยชน์โลกนี้ไม่รู้ประโยชน์โลกหน้าไม่รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งปัญญาก็คือรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งก็เลยเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะบัณฑิตคือคนที่รู้จักประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งโกศละโกศระโกศเนี่ยนะโกศก็คือเส้นความฉลาดนั่นเองนะใครที่ชื่อโกศก็แปลว่าคนฉลาดนะชื่อนะแต่ถ้าตัวความรู้เนี่ยใช่เป็นความฉลาดแท้จริงเนปุญญะ โอ้ปัญญาที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะในปุญญะก็คือปัญญาที่ละเอียดอ่อนเวภพพยะการแสดงอนิจจะเป็นต้นให้ปรากฏปัญญานี่มันแสดงความเป็นจริงให้ปรากฏภูริปัญญาที่กว้างขวางเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะไปที่ไหนก็ต้องอาศัยแผ่นดินฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็ฉะนั้นปัญญานี้กว้างขวางประดุดแผ่นดินเมธาปัญญาที่ว่องไวเนี่ยนะ มันก็รู้อะไรได้อย่างรวดเร็วปรินายกาปัญญาที่น้อมไปในการเจริญภาวนาปรินายิกาก็คือนายกนะเป็นผู้นำนะปัญญาเป็นหัวหน้าในการเจริญกุศลธรรมต่างๆถ้ามีปัญญาเป็นหัวหน้าก็เท่ากับมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าถ้ามีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าแล้วมรรคองค์ที่เหลือจะเจริญได้ไหมเจริญได้อยู่แล้วขอให้มีปัญญานําหน้าเธอกระวามีปัญญาเป็นปรินายกเนี่ยนะ ปรินายิกาก็คือปรินายกนั่นแหละนะมีมีปัญญาเป็นผู้นํามีปัญญาเป็นเครื่องนําชีวิตของคนที่มีปัญญาเป็นเครื่องนำเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ไม่ตกต่ํานะแต่ตรงกันข้ามกับก็เหมือนอย่างว่านะถ้าถ้ามีตาเดินมีเมื่อมีตาเนี่ยนําจะรู้สูงรู้ต่ำใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเกลี้งไม่รู้ตกไหนไม่รู้ตกเหวทีถ้าอยู่แถวๆนี้เราไม่น่ากลัวเราก็เห็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลบๆคลำๆไปได้ แต่ถ้าอยู่บนยอดเขาจริงๆเนี่ยนะลองหลับตาเดินเถอะโอ้โหตกเหวตายแน่เละแน่ถ้าขาดปัญญาเป็นปรินายกก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องนำเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วไม่รู้อะไรบุญอะไรบาปใลาไปมองบาปว่าเป็นบุญใลาไปมองบุญว่าเป็นบาปเข้าอะไรจะเกิดขึ้นนะมองเห็นกุศลเป็นอกุศลมองเห็นอกุศลเป็นกุศล มันเอาจริงเอาจังนะเอาตายเลยด้วยเนี่ยทนปรินายกคือปัญญานี้สําคัญมากปัญญานี้เป็นวิปัสนาใช่ไหมคือเห็นโดยประการต่างๆเช่นเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงเรียกอะไรวิปัสนาเนี่ยต้องไปบวกบวกอ น, นิจจานุปัสนาบวกทุกขานุปัสนาบวกอนัตานุปัสนาบวกนิพพานุปัสนาบวกวิราคานิโรธาปฏินิสคานุปัสนาเป็นต้นอันวิปัสนาตัวเนี้ยก็ต้องไปบวกกับศัพท์อื่นๆอีก มันก็เรียกว่าปัญญาที่เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือรู้อะไรเช่นศาสกะสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะปะโตทะปะโตทะคืออะไรปัญญาเหมือนปะตักนะนีคือปัญญาเนี่ยคำว่าเหมือนปะตักก็คือทิ่มได้ลงลึกอะเจาะลึกได้อะลักษณะปัญญาเจาะลึกสมัยใหม่ก็คือสว่านนั่นแหละ ปัญญาเหมือนกับสว่างที่ชัยลงไปแล้วก็วัดได้นะตรวจได้ปัญญิีสีอะนะความเป็นใหญ่เป็นความเป็นใหญ่คือปัญญาเนี่ยนะปัญญานี่เป็นใหญ่ในการรู้เห็นรู้โดยประการต่างๆปัญญาพละกำลังคือปัญญาที่สามารถครอบงํำอวิชชาได้ปัญญาศาสตร์ปัญญาเหมือนอาวุธปัญญาคือศาสตราเนี่ยนะใช่ปัญญาคือศาสตราเช่น ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดถ้าหมอผ่าตัดเนี่ยปัญญาเหมือนสตร์ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนในการผ่าตัดปัญญาปราสาทเนี่ยนะปัญญาปัญญาปราศาสตรก็คือปัญญาเพียงดังปราศาสตรหมายคือว่าขึ้นไปอยู่ที่สูงๆอ่ะนะขึ้นไปอยู่บนสูงๆแล้วมองออกไปโดยรอบเป็นยังไงทั้นปัญญาจึงเหมือนกับปราศาสตรเหมือนกับที่สูงที่เราขึ้นไปแล้วมองเห็นได้โดยรอบปัญญาอาโลกมีปัญญาเหมือนกับ แสงสว่างปัญญาโอภาษโอภาษก็คือแสงสว่างอีกนั่นแหละปัญญาปัจโชตะแสงสว่างคือปัญญาสามคำนี่ลักษณะประกาศอะโลกะโอภาษปัจโชตะก็คือประกาศถึงความสว่างสวัยของอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะมองออกมองทะลุมองเห็นช่องทางทั้งหมดเลยเรียกว่าแสงสว่างคือปัญญาอะโลกะคือปัญญาปัญญารัตนะ รัตนะเนี่ยก็บอกว่าเป็นแก้วเครื่องทำให้สำเร็จความคิดเนี่ยนะคนที่มีปัญญาก็เหมือนกับมีอะไรนะมีแก้วจินดามณีที่ปรารถนาสิ่งใดก็ทำได้สำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการนั้นปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่สูงที่สุดเพราะผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะหาทรัพย์ได้อะโมห oh ะปัญญาคือความไม่หลงไม่หลงในอดีตไม่หลงในอนาคตไม่หลงทั้งอดีตอนาคตไม่หลงกุศลอกุศลไม่หลง ไม่หลงบุญหลงบาปไม่หลงเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้นปัญญานั้นเป็นธรรมะวิจัยธรรมะวิจยะก็คือการวิจัยสัจธรรมทั้งหลายวิจัยอริยสัจวิจัยทุกขสมโหไทยนิโรธมรตปัญญานี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกเป็นความเห็นที่ตรงเป็นความเห็นที่ไม่วิปริตคลาดเคลื่อนเมื่อคืนว่าไงนะปัญญาเหมือนกับอะไรนะทัศนคติที่ถูกที่ตรงที่แม่นยำอ่ะนะ นั่นแหละคือลักษณะของปัญญาปัญญาคือธรรมวิจยะสามโพชงคือองค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้คือการวิจัยธรรมะการวิจัยอริยสัจถือว่าเป็นองค์อันหนึ่งที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ในบรรดาองค์เจ็แต่ตัวที่ตรัสรูจร้จริงๆก็คือตัวธรรมวิจยะสามโพชงแต่มีองค์ประกอบที่เกิดทําให้เกิดการตรัสรู้คือสติวิรยิยะปีติปสัสสะทิสมาธิและ อุเบกขานะคือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้มรรคนี้เป็นปัญญานี้เป็นมรรคขังคะก็คือองค์แห่งอริยมรรคถ้าไม่มีองค์คือปัญญาตรัสรู้ได้ไหมไม่ได้ปัญญานี้เป็นองค์มรรคนี่แปลว่าอะไรมรรคนี่แปลว่าทางแห่งพระนิพพานปัญญานี้ถือว่าเป็นองค์อันหนึ่งที่จะทําให้แทงตลอดพระนิพพานปัญญาเนี่ยนับว่าเป็นองค์มรรคเพราะเป็นเครื่องสแสวงหาพระนิพพาน ปัญญาเนี่เรียกว่าเป็นมัรคะปริยาปัญะปัญญานี่เป็นสิ่งที่นับเนื่องในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดถ้าสามารถจำแนกได้ตามนี้แหละเรียกว่ามีปัญญาเรียกว่าปัญญานี่เป็นความพิเศษผู้ใดมีความรู้ดังกล่าวไปแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเมื่อใดนะจะมีปัญญาเกิดร่วมกับใจที่เห็นเนี่ยเห็นธรรมะทั้งหมดเ่านี้นะทั้ง40่สิบคำเนี่ยนะ มีความรู้ถ้าสี่สิบเคำเนี่ยนะมียศตำแหน่งประดับตามนี้นะแจ๋วเลยนะ uk, รู้ในทุกรู้ทั้งสมุทัยรู้นิโรธรู้มกรกรู้สิ่งที่ล่วงไปแล้วรู้สิ่งที่ยังไม่มาถึงรู้ทั้งสิ่งที่ล่วงไปแล้วรู้ทั้งสิ่งที่ยังไม่มาถึงรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจยัยมีปัญญามีประชานันนะเนี่ยนะมีวิจยะมีปาวิจยะมีธรรมวิจยะสาระขณะเป็นต้นเนี่ยโอ้ฉลาดจริงๆเลยนะถ้ามีตามนี้ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มี ปัญญารัตนมีปัญญาเป็นรัตนะเป็นแก้วเนี่ยเป็นแก้วที่ประเสริฐมากก็แยกให้ออกนะว่าวิชาคำสามัญกับความพิสดารมันถ้าจะขยายวิชาก็คือเนี่ยคำอธิบายของวิชาความรู้อธิบายคำว่าวิปัสนาสิ่งเหล่านี้ต่างกันแค่พยัญชน ะ, นะเป็นเววจนะเป็นถ้อยคำที่ใช้แทนกันได้เพราะว่าจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละต่อไปสมาบัต สมาบัตินี้คานี้ก็เป็นคำสามัญทั่วไปสมาบัติบางอย่างทำให้เกิดในสัญญีภพสมาบัติบางอย่างทำให้เกิดในอาัญญีภพสมาบัติที่ไม่มีสัญญาหยาบมีแต่สัญญาละเอียดวิญญาณวิญญาณัญจายตนะสมาบัติและนิโรธสมาบัติอันนี้เป็นความพิเศษอันคาว่าสมาบัติเนี่ยนะเป็นคำที่ทั่วๆไปใช่ไหมสมาบัติที่ทำให้เกิดในสัญญีภพมีอะไรบ้าง สมาบัติที่ทำให้เกิดเว้นอสัญญาพบซะสมาบัติที่นำเกิดที่เว้นจาก อ, อารูปปัสพรมอขอสัญญาสมาบัติที่นำเหตุให้เกิดเว้นจากอสัญญาสัตตาพรมกับเนวะสัญญาสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าสัญญีสมาบัติสมาบัติที่ทำให้เกิดในสัญญาพบก็ปฐมฌานจนถึงทุติยฌาน รูปประชานหนึ่งสองสนะส่วนอสัญยีสมาบัติก็คือสมาบัติที่ทำให้เกิดในอสัญยีภพนะก็คือรูปประชานระดับฌานที่สตั้งสัญญาวิราะในนามตั้งความเบื่อนหน่ายในนามและตั้งขอให้มีแต่รูปอย่างเดียวส่วนสมาบัติที่ ไม่มีสัญญาหยาบมีแต่สัญญาละเอียดอันนี้หมายถึงเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติก็สมาบัติที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์ก็คือมีอาการสาัญจายตนะเป็นอารมณ์นิโรสมาบัติก็คือความดับจิตและเจตสิกทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่านิโรสมาบัติแต่ไม่ตายเขาบอกว่าคนตายกับผู้ที่เข้านิโรสมาบัติต่างกันอย่างไรต่างกันว่าภาษาทรูปของผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีชีวิตตรูปประกอบส่วนผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะชีวิตตรูปผ่องใสภาษาทรูปก็ผ่องใสด้วยนะภาษาทรูปก็ผ่องใสนั่นคือความต่างกันชายีผู้ได้ฌานคนที่ได้ฌานคนที่ได้ฌานก็มีหลายประเภทนะคาว่าชายีก็คือคำทั่วไปใช่ไหมคำสามัญถ้าผู้ที่ได้ฌานมาแจกประเภทเช่นเสกขับบุคคลผู้ได้ฌานก็มีอยู่ ฌานของพระโสดาบันฌานของพระสกทาคามีฌานของพระนาคามีเรียกว่าเสขะบุคคลผู้ได้ฌานอสเอขะบุคคลผู้ได้ฌานก็คือฌานของพระอรหันต์ทั้งหลายปุตุชนที่ไม่ใช่เสขะและอสเอขะที่ได้ฌานก็มีอยู่ฌานของปุตุชนเช่นฌานของใครฌานของพระเทวทัตเป็นต้นเนี่ยนะพระเทวทัตนั้นได้ฌานนะก่อนที่ ท่านจะคิดลงพระชนพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ฌานพราะใจที่น้อมไปเพื่อปลงพระพุทธเจ้าก็เลยเสื่อมเลยผู้ที่ได้ฌานที่ฝึกดีแล้วดุดมา้าอาชาในามีอยู่ผู้ได้ฌานที่แล่นไปข้างโน้นข้างนี้ดุดมา้าไม่ได้ฝึกก็มีอยู่หมายความว่าได้ฌานก็บางคนก็สักแต่ว่าได้ สักแต่ว่าได้แต่ว่าอะไรไม่ได้อยากจะเข้าก็เข้ า, ขาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะบางคนนี่ก็ยากมากบางคนก็ชำนานเหมือนกับชานที่คล่องแคล่วชำนานเนี่ยนะ <c oughs> คิดง่ายๆว่าคนได้ชานก็เหมือนคนขับรถเป็นนั่นแหละบางคนก็ชำนานมากบางคนก็โอ้ยแต่บางทีเนี่ยจะออกตัวได้แต่ละครั้งนี่มันยากต่อไปบางคนก็คือชานที่ล่วงทิฐิมีอยู่ชานที่ล่วงทิฏฐิก็คือเช่นชานระดับ โซดาปฏิมักขึ้นไปในี่ล่วงทิฐิฌานที่ล่วงตันหาก็อนาคามีหรืออรหันเนี่ยถือว่าล่วงตันหาไปแล้วผู้ได้ฌานที่ล่วงปัญญาก็มีอยู่ก็คือดับดับได้ทั้งหมดส่วนสมาธิเนี่ยนะสมาธิคําว่าสมาธิก็เป็นคําสามัญแต่ทีนี้มาดูประเภทของสมาธิดูว่า สมาธิเป็นไนาอากุศลสมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยทุลีคือกิเลสเครื่องเศร้ามองก็มีวันนี้เป็นสมาธิที่เอกะขะตาที่เกิดร่วมกับอกุศลก็เป็นเรียกว่ามีสมาธิเหมือนกันคนที่วางแผนทำปานาติบาตต้องอาศัยที่สงบสงบต้องอาศัยความสงบเพื่อทำปานาติบาตธรรมัทินนาทานเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องการความสงบเหมือนกันนะ หรือกุศลและอกุศลอัพยากตะสมาธิที่ขอไปกุศลอัและอัพยากตะคือสมาธิที่ไม่มีธุลีคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองอนนขณะที่กุศลและจิตเกิดก็เป็นเอกคะตาที่ไม่มีบาปอากุศละสมปนเปยอยู่สมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยกับเวรคือโทสะก็มีบางคนรวบรวมใจให้ตั้งมั่นแล้วแช่งคนอื่นเนี่ยมีนะ ตั้งใจให้มันตั้งใจให้มันมีกำลังที่สุดแล้วน้อมไปเพื่อแช่งคนอื่นเนี่ยนะพวกพวกสายไสยศาสตร์นี่ก็ลักษณะหนึ่งนะก็ทำจิตให้มันสงบเสร็จแล้วก็สาบแช่งให้คนอื่นตายให้เร็วที่สุดอันนี้ส่วนเมตตาเจโตวิมุตติสมาธิที่ไม่มีเวรคือโทสะก็มีแผ่แต่ความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นมันสมาธิที่เป็นไปพร้อมกับด้วยโทสะก็มีสมาธิที่ปราศจากโทสะก็มี สมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยปีติก็มีสมาธิที่ไม่มีปีติก็มีสมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยอามิตกับสมาธิที่ปราศจากอามิ t โลกิยะสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นเหยื่อของวัตะเป็นเหยื่อของกิเลสมารถ้าโลกุตระสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ได้เป็นเหยื่อของวัตะอีกต่อไปอามิตนี่แปลว่าเหยื่อสมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยสิ่งกระตุ้นกับสมาธิที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นคืออาสังขาิกกับ ส, สังสาร็กสมาธิเนี่ยนะสมาธิที่ให้เจริญวิปัสนาส่วนเดียวก็มีเป็นสมาธิที่น้อมไปเพื่อเจริญวิปัสนาหรือสมาธิที่เกิดร่วมกับวิปัสนาบางทีก็เป็นสมาธิที่ให้เจริญสังสมัฏาและวิปัสนาทั้งสองส่วนสมาธิของกายสัก ข, ขีบุคคลอันนี้ก็คือสมาธิของพร ะ, พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีที่ได้อรูปฌานเรียกว่ากายสัก ข, ขีบุคคล ส่วนธาตหันที่ได้ทั้งหลุดได้ทั้งรูปสมาบัติอรูปสมาบัติแล้วก็เป็นธาอุหันด้วยเรียกว่าอุพโตภาควิมุตตบุคคลสมาธิที่เป็นไปพร้อมด้วยวิตกและวิจารก็คือสมาธิระดับปฐมฌานสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็คือสมาธิในทุติยฌ า, านสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารก็คือตติยฌ า, านเป็นต้นไปก็ไม่มีลนวะ สมาธิที่อยู่ในส่วนแห่งความเสื่อมหานะภาคียะเนี่ยนะก็อยู่ในประเภทแห่งความเสื่อมก็ได้แต่ว่าได้อยู่ได้ไม่ทนน่นะไม่นานก็เสื่อมหมดแล้ว <c oughs> สมาธิที่อยู่ในส่วนแห่งการตั้งอยู่คือไม่ไ ม, ไม่ไม่เฟื่องขึ้นแล้วก็ไม่ยุบลงนะครก็รักษาสถานะได้อย่างดีสมาธิที่มีส่วนแห่งพิเศษก็คือน้อมไปเพื่อจะเจริญขึ้นถ้าสมมติถ้าอย่างอย่างเนี่ย น, นะบอกว่าสมาธิที่อยู่ในประเภทสัพแต่ว่าได้ แม่แน่ก็พร้อมที่จะเสื่อมพวกนี้ถ้าระดับปฐมมชาน่าจะเกิดในพรมชั้นล่างๆพรมปริสัชฌาพรมถ้าสมาธิในส่วนตั้งอยู่คงอยู่ก็เป็นโปรโรหิตาพรมถ้าสมาธิที่เป็นน้อมเพื่อวิเศษยิ่งๆขึ้นไปก็เป็นประเภทมหาพรมก็ก็แบ่งอย่างนี้นะส่วนสมาธิที่มีส่วนพิเศษเนะวิเศษสภาพยะก์็คือเจริญขึ้นใช่ไหม กับสมาธิที่เป็นนิเพทภาคยะก็คือสมาธิที่อยู่ในส่วนแห่งการแทงตลอดอริยสัจสมาธิที่เป็นบาทให้เกิดการเจริญวิปัสนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเรียกว่านิเพทภาคยะสมาธิสมาธิที่เป็นโลกียะก็มีคือสมาธิที่นับเนื่องในวัตนะกับสมาธิที่เป็นโลกุตระคือสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิคืออะไร สงบด้วยอากุศลทั้งหลายเป็นมิจฉาสมาธิความสงบที่เกิดร่วมกับกุศลเป็นสัมมาสมาธิอันนี้เป็นความพิเศษความแตกต่างของสมาธิทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าสมาธิเป็นคำที่สมาธิคืออะไรคำถามแบบนี้เนี่ยตอบยากมากนะก็มาดูความพิเศษของสมาธิเนี่ยรายละเอียดมากเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสมาธินี่มีรายละเอียดมากมันบางคนนี่เขาบอกว่าเขาเป็นนักสมาธิเนี่ยนะก็ถามว่าสมาธิอย่างไหนใน 25ประการเนี่ยนะมีอยู่25่สาคำนะสมาธิที่เกิดร่วมกับกุศลหรือสมาธิที่เกิดร่วมกับกุศลสมาธิที่มีเวรหรือสมาธิที่ไม่มีเวรเป็นต้นเนี่ยก็มันดูว่าสมาธิเขาอยู่ในสมาธิประเภทไหนหรือสมาธิที่เราเจริญนี่เป็นสมาธิประเภทใดสมาธิเหล่านั้นน้อมไปเพื่อจะเสื่อมหรือตั้งอยู่หรือจเจริญยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะจากคําสอนที่เราศึกษา ม, มาเนี่ยสา ม, มารถที่จะเอามาตรวจสอบกับ ชีวิตที่เป็นจริงของเราได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนและประเภทใดคำว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินะนะข้อปฏิบัตินี้ก็เป็นคำทั่วๆไปนะเขาเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติในคานี้ใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่มาดูว่าข้อปฏิบัติเป็นยังไงบางทีก็ข้อปฏิบัติที่อย่างลงสู่กามก็มีนนะ ข้อปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรูป bo, เพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโาพธาภะเพื่อลาบสการะสรรเสริญ น, นี่เขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ยังลงสู่กามเ er, ขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อมหาพูดนะนะกับข้อปฏิบัติที่ถอนกามก็คือไม่ได้มุ่งเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะลาบยศสการะสรรเสริญเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ถอนออกจากกามกับข้อปฏิบัติที่เป็นกลางเขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานเนี่ยนะว่าอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลางไหม บางทีข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนปฏิบัติแต่ว่าไม่มีความอดทนเลยหนาวหน่อยก็เลิกร้อนมากก็ร้อนหน่อยก็เลิกพร้อมที่จะเลิกได้หมดทุกประการเรียกว่าไม่มีความอดทนอะไรเลยกับข้อปฏิบัติที่อดทนเนี่ยนะก็ไ ม, ไม่ไม่หนักใจว่าในความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยองลมแดดเป็นต้นบางทีก็ข้อปฏิบัติที่ทาให้มิจฉาวิตกระั้น ปฏิบัติได้แล้วอกุศลการมววิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่เบียดเบียนเลยบางทีก็เป็นข้อปฏิบัติที่ฝึกฝึกอินทรีย์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอินทรีย์ก็คือฝึกที่เจริญศรัทธาฝึกเจริญวิริยะเป็นข้อปฏิบัติที่ฝึกเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์ทั้ง5้าให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้อปฏิบัติที่ลำบากรู้ช้าอันนี้เป็นอะไรทุกข์ขาปฏิปทาทันทาพิญญาทันทาตัวนั้นน่าจะเร็วนะแปลว่าช้ามากปฏิบัติช้าปฏิบัติทุกทุกรู้ก็ช้าช้าข้อปฏิบัติที่ทุกทุกรู้ช้าไปยังไงอกุศลเล่นงานกว่าจะบรรลุก่อนานเต็มทีบางพวกข้อปฏิบัติลำบากกิเลสเล่นงานแต่บรรลุเร็ว บางพวกก็ข้อปฏิบัติสบายแต่บรรลุช้าได้ชานอยู่สบายจริงแต่ว่าไม่บรรลุไม่เป็นพระอริยะสักทีนึงบางพวกก็ปฏิบัติสบายแล้วก็บรรลุเร็วอันนี้เป็นความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติว่าปฏิบัติอยู่ในกลุ่มไหนข้อปฏิบัติที่เรากําลังเจริญอยู่ในกลุ่มไหน ปฏิบัติอย่างลงสู่กามหรือถอนออกจากกามหรืออยู่ในมัชชีมาปฏิปทาปฏิบัติแบบอดทนหรือไม่อดทนปฏิบัติแล้ว อ, อากุศลวิตกระงับไหมปฏิบัติแล้วอินรี่ห้าเจริญเพิ่มพูนไหมปฏิบัติรู้ช้าหรือรู้เร็วปฏิบัติลําบากหรือว่าปฏิบัติสบายเนี่ยนะนี่ก็มาแยกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะที่จริงสามารถตรรกะอะไรนะจากชีวิตจริงถ้าสังเกตตัวเองมากๆเนี่ยสามารถจะบอกได้เลยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมอยู่ในประเภทไหน นี่ต่อไปคำว่ากายศั์นี้ก็เป็นคำสามาัญกายเนี่ยโดยศับแล้วว่าหมู่นีนะแปลว่าหมู่แปลว่ากองแปลว่าหมวดก็ได้กายเนี่ยคำว่ากายเป็นคำทั่วไปแต่คำว่ากายนี่หมวดหมู่พวกนี้ก็แปลว่านามากายก็ได้ถ้าพิเศษขึ้นกลุ่มนามากายรู ป, ปกายนามากายก็คืออะไรกลุ่มจิตเจตสิท์ทั้งหลายกลุ่มนามากายรู ป, ปกายก็คือภูตรูปและอุปาทายรูป ตัวอย่างเช่นรูปประกายเป็นไงนะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยีไนกระดูกตายหัวใจตับม ะ, ะพังผืด ม, ม้าปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่า oh. ก็มันสมองเนี่ยนะดีดสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาน้ำเหลืองอ่น้ำตาหน้ำมันโหน้ำมันเลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดหรือปัสสาวะอันนี้เป็นพวกรูปประกาย นาม ก, กายก็คือเวทนาสัญญาเจตนาจิตและภาษามนุิการทําไมจึงยกมาแค่นี้เรียกว่านาม ก, กายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนามีสัญญาเจตนามีจิตมีภาษาและมนุิการก็จิตทุกดวงแต่ที่เหลือไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไหมท่านคําว่านาม ก, กายก็ยกตัวอย่างเฉพาะที่มีอยู่แน่นอนทั้งนาม ก, กายและรู ป, ปกายพ่านคำว่ากายนาี่เป็นคํากลางๆเป็นคําที่ใช้ได้กับรูปและนาม บางทีแม้แต่กระทั่งวิญญาณกายหกใช่วิญญาณกายยะหกตันหากายยะหกตันหากายยะหกก็เช่นรูปปัตนหาเป็นต้นเนี่ยนะคําว่ากายเนี่ยแปลว่าหมวดหมู่ทําอันใด ม, ม, มีสภาพเหมือนทําอันใดมีสภาพเหมือนทําใดในยะที่กล่าวแล้ว ทำอันนั้นแม้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันก็จัดว่าเป็นอันเดียวกันโดยความเหมือนการแห่งธรรมะเหล่านั้นก็คือมาเปรียบเทียบดูว่าอะไรที่มันเหมือนกันบ้างะนะส่วนธรรมใดที่มีลักษณะแตกต่างจากธรรมใดโดยสภาวะใดๆธรรมะนั้นเนี่ยย่อมถึงความแตกต่าง ก, กันกับธรรมะเหล่านั้นนั้นโดย สภาวะก็คือหาความแตกต่างว่าอะไรมีความแตกต่างกันอะไรมีความเหมือนเหมือนนี่มันเหมือนอย่างไรเฮ้ hey, มันต่างต่างกันอย่างไรอนนันัความต่างกับความเหมือนมันพิเศษแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ถูกถามพึงพิจารณาในพระสูตรพิจารณาโดยวยากรณะพิจารณาโดยคาถาโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วนี้แสดงว่าต้องเป็นนักเทียบเคียงมากถ้าเจอคาถามหนึ่งคถามขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องเอาสูตรมา วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามสูตรไหมวยากรณ์คือการขยายการจำแนกการกระทําให้ง่ายการกระทําให้พิสดารเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มีคาถาที่ไหนรับรองบ้างไหมนะมีพุทธพจน์ที่ไหนรับรองสรุปว่าพึงพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างนี้ว่าเขาถามด้วยความเหมือนกันหรือถามโดยความพิเศษเรียกว่าถามแบบสามัญหรือถามแบบความถามาอะไรนะถามแบบต้องการคร่าวๆหรือต้องการลงรายละเอียด ถ้าถามด้วยความเหมือนกันก็วิสัชนาแบบเหมือนกันถ้าถามแบบสามัญก็ตอบแบบสามัญถ้าถามแบบพิเศษก็ต้องตอบโดยพิเศษถ้าถามแบบปุคลาธิฐานหรือสัตตาธิฐานก็ต้องตอบด้วยสัตตาธิฐานปุคลาธิฐานถ้าถามแบบธรรมาธิฐานก็ต้องตอบด้วยธรรมาธิฐานบางคนเนี่ยเขาถามด้วยธรรมาธิฐานไปตอบแบบปุคลาธิฐานบางคนเนี่ยถามปุคลาธิฐานไปตอบแบบธรรมาธิฐานมันก็เกิดการทะเลาะกัน ถ้าหากว่าเราจะทำอันนั้นได้ไหมเขาบอกเรามีด้วยหรืออย่นั้นก็เอาทํามาที่ฐานไปไปคุยกันก็ทะเลาะ ก, กันแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเกี่ยวกับสัตตาที่ฐานปุขคลาที่ฐานกับธรรมาที่ฐานก็ต้องแยกแยะให้เป็นเนี่ยนะก็ถามว่าอะไรนะอานน์ดูก่อนอนนท์ไอ้พระานนมีด้วยหรือนะถ้าอย่างนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะพราะฉะนั้นข้าก็คําถามแบบไหนก็ให้ตอบแบบนั้นเนี่ยนะไม่งั้นมันก็สร้างปัญหา ม, มากก็แยกแยะให้เป็น หรือเข้าถามโดยประการใดๆก็ต้องตอบโดยประการนั้นๆสรุปว่าถ้าถามแบบสามัญหรือถามแบบพิเศษถามเหมือนหรือถามต่างถามแบบสัตตาทิ่ฐานหรือธรรมมาทิ่ฐานก็ต้องตอบไปตามหลักการเหล่านั้นเหล่านั้นาการเอาธรรมะมาพิจารณาแบบนี้แหละเรียกว่าอธิฐานะหาระเนี่ยนะเป็นการพิจารณาเทียบเคียง ตรวจสอบแม้กระทั่งในคําถามในคําตอบในเวลาพูดคุยและสนทนาในการศึกษาพระธรรมก็ต้องเป็นไปตามนี้ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็อะไรครอันนี้สอคืออะไรความฟุ้งซ่านบ้างความทะเลาะกันบ้างกุศลไม่เจริญบัง่งได้เวรเป็นต้นบ้างสนทนากันอยู่ดีๆพอเลิกสนทนาธรรมทะเลาะกันเลยลกลายเป็นคู่เวรกันไปเลยก็มีถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพลาดไม่ได้เป็นไปตามคําสอนเนี่ยนะ ล้วก็วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้